ยีเกมุธาัจยะทุกกะความเป็นผู้มิสติหลงลืมเป็นไนความระลึกไม่ได้ความไม่ตามระลึกความไม่หวนระลึกความระลึกไม่ได้อาการที่ระลึกไม่ได้ความทรงจําไม่ได้ความเลื่อนลอยความหลงลืมนี้เรียกว่าความเป็นผู้มิสติหลงลืมความเป็นผู้ไม่มีสัมปชัญญะเป็นไนความไม่รู้ความไม่เห็น ลิมคืออวิชาอากุศลรำมูลคือโมหะนี้เรียกว่าความเป็นผู้ไม่มีสัมปชัญญะสามสิิสติสัมปชัญญะทุกกะสติเป็นไฉนสติความตามระลึกความหวนระลึกสติกิริยาที่ระลึกความทรงจําความไม่เลื่อนลอยความไม่หลงลืมสติสตินสีสติภละสัมมาสตินี้เรียกว่าสติ สัมปช ja. ัญญะเป็นไนปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฐินี้เรียกว่าสัมปชัญญะสาสเอดปฏิสังขาณะภะทุกกะกำลังเพือการพิจารณาเป็นไนปัญญาีิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฐินี้เรียกว่ากำลังเพือการพิจารณา กำลังคือภาวนาเป็นไนาการเสพการเจริญการทำให้มากซึ่งกุศลธรรมนี้เรียกว่ากําลังคือภาวนาแม้โพชฌงเจตก็เรียกว่ากําลังคือภาวนาสาสสองสมถะวิปัสนาทุกกะสมถะเป็นไนความตั้งอยู่แห่งจิตสัมมาสมาธินี้เรียกว่าสมถะวิปัสนาเป็นไนปัญญากิริยาที่รู้ชัด ความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฐินี้เรียกว่าวิปัสสนาสาสิสมสถานิมิตะทุกกะนิมิตแห่งสมถะเป็นไนะความตั้งอยู่แห่งจิตสัมมาสมาธินี้เรียกว่านิมิตของสมถะนิมิตแห่งความเพียรเป็นไนะการปรารุกความเพียรทางใจสัมมาวายามะนี้เรียกว่านิมิตแห่งความเพียร สปัคาหาทุกกะความเพียรเป็นไฉนะการปรารกความเพียรทางใจสัมมาวายามะนี้เรียกว่าความเพียรความไม่ฟุ้งซ่านเป็นไฉนะความตั้งอยู่แห่งจิตสัมมาสมาธินี้เรียกว่าความไม่ฟุ้งซ่าน 35. สามสิหีและวิปัสสติทุกกะความมีปัจแห่งสีนเป็นไฉนะการล่วงละเมิดทางกาย การล่วงละเมิดทางวาจาการล่วงละเมิดทางกายและทางวาจานี้เรียกว่าความมิปัตแห่งศีลความเป็นผู้ทุศีลแม้ทั้งหมดก็ชื่อว่าความมิปัตแห่งศีลความมิปัตแห่งทิฏฐิเป็นไนความเห็นว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลยันที่บูชาแล้วไม่มีผลการเส้นสวงไม่มีผลผลวิปากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วก็ไม่มีไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้า มารดาไม่มีคุณบิดาไม่มีคุณชาที่เกิดผุดขึ้นไม่มีสมณะพราหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งก็ไม่มีในโลกดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดความยึดถือโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าความมิปัตแห่งทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดก็ชื่อว่าความมิปัตแห่งทิฏฐิ สามหกีลสัมปทาทุกกะความสมบูรณ์แห่งศีลเป็นไนความไม่ล่วงละเมิดทางกายความไม่ล่วงละเมิดทางวาจาความไม่ล่วงละเมิดทางกายและทางวาจานี้เรียกว่าความสมบูรณ์แห่งศีลศีและสังวรแม้ทั้งหมดก็เรียกว่าความสมบูรณ์แห่งศีลความสมบูรณ์แห่งทิฏฐิเป็นไนความเห็นว่าทานที่ให้แล้วมีผล ยันที่บูชาแล้วมีผลการเส้นสวงมีผลผลวิปากแห่งกรรมที่ทาดีทาชั่วมีโลกนี้มีโลกหน้ามีมารดามีคุณบิดามีคุณสาติที่เกิดผุดขึ้นก็มีสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งมีอยู่ในโลกดังนี้ปัญญากิริยาที่รู้ชัด ความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าความสมบูรณ์แห่งทิฏฐิสัมมาทิฏฐิแม้ทั้งหมดก็เรียกว่าความสมบูรณ์แห่งทิฏฐิสามสิเจีลวิสุทธิทุกกะความหมดโจทแห่งศีลเป็นไนความไม่ล่วงละเมิดทางกายความไม่ล่วงละเมิดทางวาจาความไม่ล่วงละเมิดทางกายและทางวาจา นี้เรียกว่าความหมดจดแห่งศีลศีลและสังวรแม้ทั้งหมดก็เรียกว่าความหมดจดแห่งศีลความหมดจดแห่งทิฏฐิเป็นไนา ย, ยานเป็นเครื่องรู้ว่าสัตว์มีกรรเป็นของตนยานที่สมควรแก่การอย่างรู้อริยสัจยานของท่านผู้พรั่งพร้อมด้วยมรรคยานของท่านผู้พรั่งพร้อมด้วยผล 38. ทิฏฐิวิสุธทธิโคปณททุ ก, กะ ที่ชื่อว่าความหมดจดแห่งทิฏฐิได้แก่ปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิที่ชื่อว่าความเพียรของบุคคลผู้มีความเห็นหมดจดได้แก่การปรารบความเพียรทางใจสัมมาวายามะสามสิบเก้าสังเวชนียฐานทุกกะที่ชื่อว่าความสลดใจได้แก่ญาณที่เห็นชาติโดยความเป็นภัย ยานที่เห็นชราโดยความเป็นภัยยานที่เห็นพยาธิโดยความเป็นภัยยานที่เห็นมรณะโดยความเป็นภัยชื่อว่าฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความสลดใจได้แก่ชาติชราพยาธิและมรณะที่ชื่อว่าความเพียรโดยแยบคลายของบุคคลผู้สลดใจได้แก่ภิกษุในธรรมวิในนี้ยังฉันทะให้เกิดพยายามปรารบความเพียรระคองจิต ตั้งจิตไว้เพื่อทําบาปอากุศลธรรมอันยังไม่เกิดไม่ให้เกิดเพื่อละบาปอากุศลธรรมอันเกิดแล้วเพื่อทํากุศลธรรมอันยังไม่เกิดให้เกิดเพื่อความตั้งมั่นไม่เละเลือนพิญโยภาพภัยบู์เจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมอันเกิดแล้วสี่สิอสันตุตธธิตากุศลธรรมทุกกะที่ชื่อว่าความไม่สันโดษในกุศลธรรมได้แก่ ความพอใจยิ่งยิ่งขึ้นไปของบุคคลผู้ไม่สันโดษในการเจริญกุศลธรรมที่ชื่อว่าความเป็นผู้ไม่ท้อถอยในความเพียรได้แก่ความเป็นผู้กระทาโดยเคารพความเป็นผู้กระทาติดต่อความเป็นผู้กระทาไม่หยุดความเป็นผู้ประพฤติไม่ย่อหย่อนความเป็นผู้ไม่ทิ้งฉันทะความเป็นผู้ไม่ทอทุระความเสกความเจริญการกระทาให้มาก เพื่อความเจริญแห่งกุศลธรรม 41. วิชาทุกกะที่ชื่อว่าวิชาได้กแก่วิชา3คือ 1. วิชาคือปุเพนิวาสานุสติญาณ 2. วิชาคือจุตูป ป, ปาตาญาณ 3. วิชาคืออาสวรคยญาณที่ชื่อว่าวิมุตติได้กแก่วิมุตติ2คืออธิมุตติแห่งจิต สมาบัติแปดและนิพพานสี่สิบสองเเยยานะทุกะที่ชื่อว่าความรู้ในอริยมรรคได้แก่ความรู้ของท่านผู้พรั่งพร้อมด้วยมรรจิตที่ชื่อว่าความรู้ในอริยผลได้แก่ความรู้ของท่านผู้พรั่งพร้อมด้วยผลจิตสุตันติ ก, กะทุกกะนิเคปะจบนิเคปกันจบ กถากันเดกกะอัฏฐทาระหนึ่งกุศลเดกกะสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นไนสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิสี่สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นไนจิตตุบาที่เป็นอกุศลสิบสองสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอกุศลสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤตเป็นไน วิบากในภูมิสี่อยากะตะกิริยาในภูมิสามรูปและนิพานสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอพยกฤต 2. เวทนาเต ก, กะสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเป็นฉะไห น, นจิตูบาทที่สหรคต ด, ด้วยสมนัสฝ่ายการมาวจรกุศลสี่ฝ่ายอกุศลสี่ฝ่ายวิบากแห่งการมาวจรกุศลหาและฝ่ายกริยาอย่างละห้าดวง ฌานสาและฌานสี่ที่เป็นรูปราวจรฝ่ายกุศล์วิบากและกิริยาฌานสามและฌานสี่ที่เป็นโลกุตระฝ่ายขุศลและวิบากเว้นสุขเวทนาที่เกิดขึ้นในจิตุบาตนี้สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกเวทนาเป็นไะนนจิตุบาที่สหรคตรด้วยโทมนะ ส, สองและกายวิ ญ, ญญาณที่สหรคตรด้วยทุก เว้นทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในจิตเหล่านี้แล้วสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอุทุกขมสุขเวทนาเป็นไนจิตุบาทที่สหอรโค้ด้วยอุเบกขาฝ่ายกลางมาวจรกุศลสฝ่ายอากุศลหกฝ่ายวิบากแข่งกลางมาวจรกุศลสิบฝ่ายวิบากแข่งอกุศลหกฝ่ายกิริยาหกรูปาวจร จะตุทะฌานฝ่ายกุศลวิบากและกิริยาอารูปรวาวจรสี่ฝ่ายกุศลวิบากและกิริยาโลกุตระจะตุทะฌานฝ่ายกุศลและวิบากเว้นอทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นในจิตนี้แล้วสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเวทนาสรูปและนิพานสภาวะธรรมเหล่านี้กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุตด้วยสุขเวทนา สัมปยุดด้วยทุกขเวทนาหรือสัมปยุดด้วยอทุกขมสุ ข, ขเวทนา <S 2> <S 2> 3. วิปากติกะสภาวะธรรมที่เป็นวิบากเป็นชนยัยวิบากในภูมิสสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นวิบากสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นชนัอุสลในภูมิสี่และอุศลสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นเหตุให้เกิดวิบาก สภาวะธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นชนันพยากะตะกริยาในภูมิสามรูปและนิพานสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากสอุปาทินนติกะสภาวะธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นช น, นวิบากในภูมิสามและรูปอันกำปรุงแตง่ง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 สภาวะธรรมที่กิเลส ท, ท, ทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นไนอกุศลจิตตุปาฏิสิบสองสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่ากิเลสทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลเสสภาวะธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นไนกุศลในภูมิสามวิบากในภูมิสามอภยากตะกิริยาในภูมิสามและรูปทั้งหมดสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่า กิเลสไม่ทำให้เศร้ามองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสสภาวะธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้ามองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นไนมรรคสี่ที่ไม่นับเนื่องในวตัตถุ์สามัญผญลสี่และนิพพานสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่ากิเลสไม่ทำให้เศร้ามองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลส6กสวิต ก, กะติกะสภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารเป็นไน กามรมาวจรกุศลอกุสนจิตุบาศฝ่ายวิบากแห่งกามาวจรกุศลสิบอฝ่ายวิบากแห่งอกุศลสองฝ่ายคิริยาสิอรูปาวจรปฐมฌานฝ่ายกุศลวิบากและกิริยาโล ก, กุตระปฐมฌานฝ่ายกุศลและวิบากเว้นวิตกและวิจารณที่เกิดขึ้นในจิตเหล่านี้แล้วสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีทั้งวิตกและวิจารณ์ สภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร์เป็นไนทุติยฌานในรูปาวจรปัญจกนัยฝ่ายกุศลวิบากและกิริยาทุติยฌานในโลกุตระปัญจกนัยฝ่ายกุศลและวิบากและวิตกเว้นวิจาร์ที่เกิดขึ้นในจิตเหล่านี้แล้วสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร์สภาวะธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารเป็นไน ทวิปัญจวิญญาณทั้งหมดฌานสามและฌานสี่ที่เป็นรูปราวจรฝ่ายกุศลวิบากและกิริยาอารูปสี่ฝ่ายกุศลวิบากแห่งกิริยาฌานสามและฌานสี่ฝ่ายที่เป็นโลกุตระฝ่ายกุศลวิบากวิจารณ์ที่เกิดขึ้นในทุติยฌานในปัญจกะไนรูปและนิพานสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ วิจาร์ที่เกิดพร้อมกับวิตกกล่าวไม่ได้ว่ามีทั้งวิตกและวิจารณ์ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์หรือไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ 7. ปีติติกะสภาวะธรรมที่สหรโคตด้วยปีติเป็นไฉนจิตุบาที่สหรโคตด้วยสมมาัดฝ่ายกามาวจรกุศลสฝ่ายอกุศลสฝ่ายวิบากแห่งกามาวจรกุศลห้าฝ่ายคิริยาห้า ทุติยาชาญสองและชาญสที่เป็นรูปาวจรฝ่ายกุศลวิบากและกิริยาชาญสองและชาญสาที่เป็นโลกุตระฝ่ายกุศลและวิบากเว้นปีติที่เกิดขึ้นในจิตเหล่านั้นแล้วสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสหรครตด้วยปีติสภาวะธรรมที่สหรครตด้วยสุขเป็นไนจิตตุบาทที่สหรครตด้วยสมนัสฝ่ายกา ร, รมาวจรกุศลสี่ฝ่ายอกุศลสี่ ฝ่ายวิบากแห่งกามมาวจรกุศลหฝ่ายคิริยาห้าฌานสาและฌานสี่ที่เป็นรูปาวจรฝ่ายกุศลวิบากและคิริยาฌานสมและฌานสี่ที่เป็นโลกุตระกุศลและวิบากเว้นสุขที่เกิดขึ้นในจิตเหล่านี้แล้วสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสหรคตด้วยสุขสภาวะธรรมที่สหรคตด้วยอุเบขาเป็นไงเจตุบาทที่สหรคตด้วยอุเบขา ฝ่ายกรรมาวจรกุศลสฝ่ายอากุศลหฝ่ายวิบากแห่งกรรมวจรกุศลสิบฝ่ายวิบากแห่งอกุศลหฝ่ายกริยาหกรูปราวจรจตุฌานฝ่ายกุศลวิบากและกริยาอารูปสีกก่ฝ่ายกุศลวิบากและกิริยาโลกุตระจตุตฌานฝ่ายกุศลและวิบากเว้นอุเบกขาที่เกิดขึ้นในจิตเหล่านี้แล้วสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสหรโคตด้วยอุเบกขา ปีติไม่สหารคตด้วยปีติแต่สหรโคตด้วยสุขไม่สหรคตด้วยอุเบกขาสุขไม่สหรคตด้วยสุขแต่ที่สหรคตด้วยปีติไม่สหรโคตด้วยอุเบกขาก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสหรคตด้วยปีติก็มีจิตุปาทที่สหรคตด้วยโทมนัสสองกายวิญญาณที่สหรคตด้วยทุกอุเบกขาเวทนารูปและนิพาน สภาวะธรรมเหล่านี้กล่าวไม่ได้ว่าสหรคตด้วยปีติสหรคตด้วยสุขหรือสหรคตด้วยอุเบกขา 8. ทัศนะติกะสภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยโซดาปฏิมักเป็นไ น, นจิตุบาที่สหรคตด้วยทิฐิสี่ดวงจิตุบาที่สหรคตด้วยวิจิกิจชาสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัก สภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเป็นไ น, นจิตุบาที่สหรโคดด้วยอุทจักสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามจิตุบาที่สหรโคดด้วยโลภวิปยุจจากทิฏฐีจิตุบาที่สหรคโหรคดด้วยโทมนสองสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคก็มีต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามก็มี สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามเป็นไนกุศลในภูมิสี่วิบากในภูมิสี่อภยกตะกริยาในภูมิสามรูปและนิพานสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามเก้ทัศนะเหตุติสกะสภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเป็นไน จิตุบาทที่สัมปยุตด้วยทิฏฐิสี่ดวงจิตุบาทที่สหะรโคด้วยวิจิกิจชาเว้นโมหะที่เกิดในจิตุบาทนี้แล้วสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามเป็นไนจิตุบาทที่สหะรโคด้วยอุทจจะเว้นโมหะที่เกิดขึ้นในจิตุบาทนี้แล้วสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่า มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามจิตุบาทที่สหรอคตด้วยโลภวิปยุตจากทิฏฐิสจิตุบาทที่สหรคตด้วยโทมันนสองสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมร์ก็มีมีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามก็มีสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมร์และมรรคเบื้องบนสามเป็นไนโมหะที่สหรอคตด้วยวิจิกิชา โมหะที่สหรคตรด้วยอุทจจะอุศลในภูมิสี่วิบากในภูมิสี่อพยากตะกริยาในภูมิสามรูปและนิพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสามสิอาเจยคามิติกะสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเป็นไฉนอะุสลในภูมิสามและอุสล สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานเป็นไฉนมรรคสี่ที่ไม่นับเนื่องในวัตตทุกข์สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นเหตุให้ถึงนิพพานสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานเป็นไฉนวิบากในภูมิสี่อภพยากตะกริยาในภูมิสามรูปและนิพพานสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่า ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานสิบเอ็เศราติกะสภาวธรรมที่เป็นของเศข่าบุคคลเป็นไงนะมัคคีที่ม่นับเนื่องในวัตทุกข์สามัญผลเบื้องต่ำสาม ส, ามสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นของเศข่าบุคคลสภาวธรรมที่เป็นของอเศข่าบุคคลเป็นไนะอรหัตผลที่เป็นผลเบื้องบน สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นของอสขะบุคคลสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขะบุคคลและอสขะบุคคลเป็นไงกุศลในภูมิสามอกุศลวิบากในภูมิสามอยากตะกริยาในภูมิสามรูปและนิพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นของเสขะบุคคลและอสขะบุคคล 12. บปริตติกะ สภาวะธรรมที่เป็นปริตตะเป็นไงการมวจรกุศลอกุศลการมวจรมิบากทั้งหมดการมวจรอัพยากตะกริยาและรูปทั้งหมดสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นปริตตะสภาวะธรรมที่เป็นมหคตะเป็นไงปุศลและอัพยากฤิที่เป็นรูปาวจรและอรูปาวจรสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นมหคตะสภาวะธรรมที่เป็นอปมานะเป็นไง มรสีที่ไม่นับหนึ่งในวัตถุสามัญญผลสีและนิพานสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอปปมานะสิบสาปริตารมณติกะสภาวะธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์เป็นชนัยกามาวจรวิบากทั้งหมดมโนธาที่เป็นกริยามโนวิญญาณธาที่เป็นอเหตุตุกกะิริยาซึ่งสหรคตด้วยโสมนัสสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีปริตตะเป็นอารมณ์ สภาวธรรมที่มีมหคัตเป็นอารมณ์เป็นไนวิญญาณัญจายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีมหคัตเป็นอารมณ์สภาวธรรมที่มีอปปมามะนะเป็นอารมณ์เป็นไนมรรคสี่ที่ม่นับหนึ่งเ น, นวตถถุทุก์สามัญญผลสี่สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีอปปมานะเป็นอารมณ์จิตุบาที่มีญาณวิปยุตฝ่าย กลา마าวจรกุศลสี่จิตตุบาที่เป็นญาณวิปยุตฝ่ายกิริยาสี่อากุศลทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้มีปริตะเป็นอารมณ์ก็มีมีมหากตะเป็นอารมณ์แต่ไม่มีอปปมานะเป็นอารมณ์กล่าวไม่ได้ว่ามีปริตะเป็นอารมณ์หรือมีมหคัตะเป็นอารมณ์ก็มีจิตตุบาทที่เป็นญาณสัมปยุตฝ่ายกลา마วจรกุศลสีฝ่ายกิริยาสี่ รูปราวจรจะทุตชานฝ่ายกุศลและกิริยามนโนวิญญาณธาตุที่เป็นอเหตุุกกะกิริยาซึ่งสหรกรคด้วยอุเบคาสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีปริตตะเป็นอารมณ์ก็มีมีมหคตะเป็นอารมณ์ก็มีมีอัปมานะเป็นอารมณ์ก็มีกล่าวไม่ได้ว่ามีปริตตะเป็นอารมณ์เมมหคตะเป็นอารมณ์หรือมีอัปมานะเป็นอารมณ์ก็มีฌานสามและฌานสี่ ที่เป็นรูปาวจรฝ่ายกุศลวิบากและกิริยาจตุทชาญวิบากอากาสาัญจายัตนะอากินจัญญายตนะสภาวะธรรมเหล่านี้กล่าวไม่ได้ว่ามีปริตะเป็นอารมณ์มีมหาคตะเป็นอารมณ์หรือมีอภปมานะเป็นอารมณ์รูปและนิพานชื่อว่ารับรู้อารมณ์ไม่ได้ 14. หินนาติกะสภาวะธรรมชั้นต่ำเป็นชนะ จิตุบาที่เป็นอกุศลสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมชั้นต่ำสภาวธรรมชั้นกลางเป็นไนกุศลในภูมิสามวิบากในภูมิสามอปยากตะกริยาในภูมิสามและรูปทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมชั้นกลางสภาวธรรมชั้นปราณีเป็นไนมรรคสี่ที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุสามัญญผลสี่และนิพาน สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมชั้นปราณีสิบห้ามิจฉาติกะสภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนเป็นไนจิตุบาที่เป็นทิฏฐิขตะสัมปยุตตจิตสี่จิตุบาที่สหะรโคตด้วยโทมนัสองสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนก็มีให้ผลไม่แน่นอนก็มี สภาวธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนเป็นไนมัคคีที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุกข์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นเป็นไนจิตุบาทที่สหรคตด้วยโลภะวิปยุตจากทิฏี 4, จิตุบาทที่สหรคตด้วยวิจิกิจชาจิตุบาทที่สหรคตด้วยอุทัจักกุศลในภูมิสาม วิปากในภูมิสาอภพยากตะกิริยาในภูมิสารูปและนิพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้น 16. มัคารมามานะติกะสภาวธรรมที่มีมัคเป็นอารมณ์เป็นชนจิตุบาที่เป็นญาณสัมปยุตฝ่ายขามาวจรกุศลสี่ฝ่ายกิริยาสี่สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีมัคเป็นอารมณ์ก็มีแต่ไม่มีมัคเป็นเหตุ ที่มีมรรคเป็นอธิปดีก็มีแต่กล่าวไม่ได้ว่ามีมรรคเป็นอารมณ์หรือมีมรรคเป็นอธิปดีอรียมรรคสไม่มีมรรคเป็นอารมณ์แต่มีมรรคเป็นเหตุที่มีมรรคเป็นอธิปดีก็มีแต่กล่าวไม่ได้ว่ามีมรรคเป็นอธิปดีก็มีรูปาวจรเจตุทะานที่เป็นฝ่ายกุศลและฝ่ายกริยามนโนวิญญาณธาตุที่เป็นอเหตุุกักิริยาซึ่งสหรโคด้วยอุเบกคา ภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีมรรคเป็นอารมณ์แต่ไม่มีมรรคเป็นเหตุที่ไม่มีมรรคเป็นอธิปดีแต่กล่าวไม่ได้ว่ามีมรรคเป็นอารมณ์ก็มีจิตุบาทที่เป็นญาณวิปยุตสี 4, อากุศลทั้งหมดวิบากแห่งกรรมวจรทั้งหมดจิตุบาทฝ่ายคิริยาหกฌานสามฌานสี่ที่เป็นรูปาวจรฝ่ายกุศลวิบากและคิริยาวิบากแห่งเจตุทะฌานอารูปฌานสี่ ฝ่ายกุศลวิบากกิริยาและสามั ญ, ญพนสี่สภาวะธรรมเหล่านี้กล่าวไม่ได้ว่ามีมักเป็นอารมณ์มีมักเป็นเหตุหรือมีมักเป็นอธิบดีรูปและนิพานรับรู้อารมณ์ไม่ได้สิบเจ็ดอุปนนติกะสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นเป็นไนวิบากในภูมิสี่รูปอันกรรมปรุงแต่งสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเกิดขึ้นก็มีที่จะเกิดแน่นอนก็มี แต่กล่าวไม่ได้ว่ายังไม่เกิดขึ้นกุศลในภูมิสี่อกุศลอัพยากตะกริยาในภูมิสามรูปอัน ร, รมไม่ปรุงแต่งสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเกิดขึ้นก็มียังไม่เกิดขึ้นก็มีแต่กล่าวไม่ได้ว่าจะเกิดขึ้นแน่นอนนิพานกล่าวไม่ได้ว่าเกิดขึ้นยังไม่เกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นแน่นอนสิปอตีตัตถะ เว้นนิพพานแล้วสภาวะธรรมทั้งหมดที่เป็นอดีตก็มีที่เป็นอนาคตก็มีที่เป็นปัจจุบันก็มีนิพพานกล่าวไม่ได้ว่าเป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันสิเกอตีตารมณะถกะสภาวะธรรมที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์เป็นชนัวิญญาณัญจายตนะและเนวสัญญานาสัญญายตนะสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ สภาวธรรมที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์อย่างเดียวไม่มีสภาวธรรมที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์เป็นไ น, นปัญจวิญญาณและมโนธาสามสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์จิตตุบาลฝ่ายวิบากแห่งกามาวาจรกุศลสิทธิมโนวิญญาณธาที่สหรอโคดวยอเบิขาฝ่ายอกุศลวิบากมโนวิญญาณธาที่เป็นอเฮตุกะกิริยา ซึ่งสหรคตด้วยสมณัตสภาวะธรรมเหล่านี้ที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอนคตธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ก็มีกลามาวจรกุศลอกุศลจิตุบาฝ่ายกิริยาเก้ารูปาวจรจตุทชานฝ่ายกุศลและฟิริยาสภาวะธรรมเหล่านี้ที่มีอดีตตธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ก็มี ที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ก็มีและกล่าวไม่ได้ว่ามีอดีตธรรมเป็นอารมณ์หรือมีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ฌานสและสที่เป็นรู ป, ปาวจรฝ่ายกุศลวิบากและคิริยาจะทุตชาญวิบากอากราสารัญจายตนะอาคินจัญญายตนะมัคสีที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุขสามัญญผลสี่สภาวะธรรมเหล่านี้กล่าวไม่ได้ว่ามีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์หรือมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์รูปและนิพพานชื่อว่ารับรู้อารมณ์ไม่ได้ยี่สิบอชิตติติกะเว้นรูปที่ไม่เนื่องด้วยอินทรีย์และนิพพานแล้วสภาวะธรรมทั้งหมดที่เป็นภายในตนก็มีที่เป็นภายนอกตนก็มีที่เป็นภายในตนและภายนอกตนก็มีรูปที่ไม่เนื่องด้วยอินทรีย์แล ะ, ะรร sí นิพพา น, น, านชื่อว่าเป็นภายนอกตนยี่สิบเอ็ด อาชตารมะมะณติกตะสภาวะธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์เป็นไฉนวิญญาณัญจายตนะและเนวสัญญาณาสัญญายตนะสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์สภาวะธรรมที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์เป็นไฉนิฌานสามและฌานสี่ที่เป็นรูปาวจรฝ่ายขุศลวิบากและกิริยาจะทุตฌานวิบากอากาสารัญจายตนะ มรซีที่ไม่นับหนึ่งใวัตทุกข์และสามัญญผลสี่สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์เว้นรูปแล้วสภาวะธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอภิยกฤิที่เป็นกลามาวจรทั้งหมดรูปาวจรจตุทชานฝ่ายกุศลและกิริยาสภาวะธรรมเหล่านี้ที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มี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 ซึ่งนับหนึ่งในธรร ม, มายตนะและนิพพานสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เทกกะอัทุทาระจบ